สร้างพลังพุท ธ, ธะโดยพละหาเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นและตั้งมั่นในสิ่งไหนจิตที่เชื่อมั่นนั้นย่อมเกิดมีพลังที่เกิดเด่นชัดก็คือวิริยะความแกล้วกล้าอาจหาันกล้าเสียสละกายและใจของตนเองเพื่อบูชาข้อวัดปฏิบัติเช่นการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นต้นเมื่อเรามีวิริยะ ความภาคความเพียรความพยายามสติที่จะระลึกรู้สิ่งที่ผิดชอบชั่วดีก็ย่อมมีปรากฏขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจมั่นคงเพราะอาศัยความมีศรัทธาตั้งมั่นจิตใจมั่นคงนั้นคือสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเมื่อจิตสงบตั้งมั่นนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน อย่างน้อยเราก็มีปัญญารู้ว่าจิตแท้จิตดั้งเดิมของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเมื่อไรเราสามารถรู้ความจริงของจิตแท้จิตดั้งเดิมของเราเมื่อนั้นเราจะมีความรู้สึกว่านี่แหละคือจิตแท้จิตดั้งเดิมของเราเมื่อจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบาน นอกจากจะรู้ความจริงของจิตของตนเองเราก็ยังจะได้รู้ว่าคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้บังเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วเพราะฉะนั้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาในเมื่อเรามาปฏิบัติให้ถึงพร้อมจิตสงบนิ่งมีสติรู้ตัวอยู่มีความมั่นคงเมื่อจิตมีความมั่นคง แม้ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปมาทางใดเราก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะการทำการพูดการคิดเรามีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะความมีสติรู้ตัวนั่นแหละคือธรรมะแท้แห่งพุท ธ, ธะที่เกิดขึ้นที่จิตของเราเราจะต้องสังเกตดูความเป็นไปของจิตของเราอย่างนี้